พูดกันถึงเรื่องด้านภาวนากันดีกว่าคือว่านไหนแล้วก็จะต้องตั้งใจภาวนากันอยู่แล้วคัดภาวนากันอยู่แล้วการภาวนาเป็นของทําง่ายเพื่อไม่ต้องชักชวนคนอื่นทํำอะไรก็ได้แต่เป็นการยากที่อุบายในเพียงพอ จะทำไห้ถึงภาวนาได้ยากคือาบปัญญาไม่ฟ้องเองสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อทำได้แล้วพึกผลอารมได้แล้วมันเรืของมีคุณค่าประโยชน์มากสิ่งในที่ทำได้ง่ายคุณค่าน้อยเรื่องภาวนานะ่ย เป็นเรื่องธรรมะรุ่นรุ่นเรื่องภ า, า, าวนาเป็นเรื่องทำจิตใจให้ได้รับความสงบสุขพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนที่ว่าเป็นของทำยากก็เราอบรมจิตจิตเป็นของมันมีตัว จะจับมามองจะจับมาทรมานจะมาขังด้วยประการต่างๆไม่ได้เหุ่นั้นจึงเป็นของทายาก <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ของเหลือวิสัยผู้ที่ทำทำที่หัดจิตใจอารมจิตใจให้เป็นไปได้แล้วก็มีมากมายหัวขงังทั้งในปัจจุบันและอดีตที่ล่วงมาแล้ว หรือในอนาคตก็ยังจะมีอยู่เหมือนกันเรื่องเหล่า น, นี้ถ้าหากเป็นของเราวิสัยไม่มีใครสามารถทำได้แล้วพูดด้วยเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้คือบัญญัติมันก็มีประโยชน์นในพระเหตุที่มีความผู้มีความสามารถอาจทำให้ สมาธิเกิดขึ้นได้ถ้าเย็นมันยัดไว้เรื่องการอบรมสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่ของแต่และุงค์คนอื่นจะช่วยเรือลไม่ได้จิตอันนี้เรียกว่าจิตภายในจิตการภายในงานภายในในองค์มรตแปด ที่ท่านแสดงถึงเรื่องสัมมากัมมันโตการงานชอบในขนาดที่เรานั่งทำกรรมฐานอยู่แล้วไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนอกภายนอกแม้แต่ ม, มือเราก็ประทักสันไว้กายก็ไม่ได้วันไหวไปที่ไหนไม่นจะมีงานยังไงไม่ได้ทำงานอะไรหรอก งานการ ง, งานชอบได้แจดสมาธินั่นเองเบื้องจนท่านเรียกอ่าสมาธิสมาจันกับปากก็เห็นชอบดําดีชอบเพียรชอบเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบ าการงานชอบดังอธิบายนี้นั่นถ้าหากว่าเราพิจารณาถูกการพิจารณามันถูกการพิจารณานั้นเรียกว่าการนานมันถูกมันเรียกว่าชอบที่ทำถูกทำชอบเป็นก็คือสมาธิอันหนึ่งที่จิตมันจะเห็นเป็นของ เป็นสมาธิกที่การงานมันเป็นการงานชอบอเพราะสมาธิกชอบคือเห็นชอบมัเองมันยังค่อยเป็นการงานชอบเหมืนคนเราที่มีความรู้คนสามารถจะทํางานได้ก็ตามเยเยพราะมีความรู้ดีค่อยทำถูกงานก็นเหมือนกันนั่นสมาชิกที ค็ดว่าเห็นชอบแล้วยังค่อย ก, า ง, กางงานไมค่อยชอบเหมือนๆกันกับการงานภายนอกผู้มีวิชาสามารถดูเรื่องรู้การงานดีทำงานนุ่กรถูกม่เหมือนกั น, นกาาาเพราะฉะนั้นในการที่ การงานภายในใจที่ว่านี่นะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องชละงานภายนอกทั้งหมดไปก่อนในเวลาที่เราทำงานภายนกะการงานภายในของเร า, กา ร, า, ก, าการงานด้วยกายการงานโดยวาจาคือการพูดการทำการงานด้วยใจคือความคิดนึกส่งออกไปนอกจากขอบเขต ของสมาธิเราทอดทิ้งมดไ ม, ม่ให้มีเข้ากับลักเทวะทำอะไรทําจริงจริงวาลีถ้งหมดกะเยาเจกะจยาเคดังดันทะเมนงังผลักกามิถ้าจะทำก็ำให้ทําทุกจริง ทำให้มันมันม่นคงแน่นหนาทาวอนจิตที่เราตั้งใจมั่นลงว่าจะทำกรมรมฐานละจนกระทั่งทอดทิ้งปล่อยความคิดอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปนอกรูกนอกทางไม่มีแล้วเวลาเราปักใจมันมม่นคงลงในที่เดียว คือเราจะพิจารณากรรมฐานตรงนี้ได้อธิบายแล้วว่าการงานคือทั้ทงใจเมื่อเราฝากลากลงที่เราก็พิจารณาคิดคนเฉพาะในใจอาหารยังจับใจไม่ได้จับตัวใจไม่ได้เพราะยังไม่ทําสงบ เราก็จะต่องคิดคนด้นเฉพาะในตัวของเราทำงานในตัวของเราคือในกายใช่ปะเรียกว่าทารูปเรียกว่ารูปกระทำค้คนเฉพาะในเรื่องนี้จะให้นี้จากเรื่องนี้เรียกว่าการงานภายไหนการคิดการค้นนั่นเรียกวาการงานท มนนีเรื่องเยอะที่เราจะต้องทำอย่างเลยพิจารณาทังเรื่องกายของเราการสายิสบมองดูเป็นชิน้นเป็นชิ้นไปผมคนเล็บฟัานาเนื่อเองกระดูกคิดใจให้จดจ่อเฉพาะจริงๆอย่าไปลังเลสงสัยแล้วอย่าไปคาดทะนีเอาไปจุบัน จิต่ยตั้งมั่นลงเฉพาะในปัจจุบันกระดวดไปถอธอพิจารณาไปดืออาการสากิจสองสนุกใหญ่เพิดเลยถ้าลงในปัจจุบันก็เพิดอิมอบอินใจเกิดค่วงพีติยินดีในการที่เราพิจารณาคือไปเห็นตามเป็นสิ่งเห็นชัด เห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยการแท่งไม่ใช่เห็นอย่างทางวิทยาศาสตร์เรท่ถ้าวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องพิสูจน์เครื่องวัดขยายสักส่วนออกให้เห็นชัดกระดูกมีนั้นทอนมีเท่า น, นี้ท่อนติดต่อขันย่างได้อย่างอะไรต่างๆที่เขาพิสูจน์ เขาเรียนตัวจริงกันจริงๆขาะคนตายแล้วเขายังเอาไปไม่เอาไปจริงฉีดยากันเน่าไว้เวลาเขาเรียนเขาก่ไปแรดูอันนั้นอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้อะไรต่างๆตั้งแต่เนื้อจนหนังตลอดทั้งเครื่องในให้เข้าใจชดัดป็นจริงๆันเลย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 เห็นแล้วก็สักจะเห็นนอกจากจะเห็นไว้สำหรับจาให้แม่นแล้วเอาไปไว้สำหรับตอบปัญหาเมื่อขอปัญหามาเพื่อเอาคะแนนนั่นผลประโยชน์ต้องการเห็นอย่างนั้นจะดีอยู่แต่การเห็นโดยภาวานาไม่อย่างนั้น แล้วจะเพ่งลงไปที่กายนี่แหละที่นาผมขนได้บฟันนังะไรก็ตามเถิดอาการ่าบิตรจิตนั้นไปอยู่ในปัจจุบันจดจ่อในเรื่องนั้นปล่อยวางอารมณ์อื่นวัดนิยอารมณ์อะไรมาแผ่วผ่านเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวหรือในปัจจุบันเป็นเรื่องอาการอะไรชัดแจ้งแจ้ง แต่ลักษณะอาการที่เห็นไม่เหมือนก็เห็นตามแผนวิทยาศาสตร์มันอาจจะเห็นไปในทานองในทางนองหนึ่งก็ได้เช่นกระดูกของเองยังสดๆอย่างเงี้ยเวลาไปเห็นเขาไม่ใช่กระดูกสดนะครับมันเป็นกระดูกแห้งแห้งกันเท้า แห้งยังข้าสร้างขาวของไจเลยแต่แท้ทีจริงในขณะที่เรนาพิจารณาเรายังไม่ชันตายังเป็นคนอยู่กระดูกก็ยังมีเนื้อหุ้มได้มีเยื่อหุ้มอีกกินมีเรียกหัวทั้ง ข, ง ข, งขงูดตรงมันติดอยู่กับกระดูกต่อเนื้อปัญหาเนื้อนั้นรนาดาเป็นา ง, งานความจริงแต่เวลาไปเห็นในเวลาภานามันมันไม่เป็นอย่างนั้น งั <c oughs> ้นจะไปเห็นเป็นกระดูกขาวโพ้นเลยทีเดียวหรือไปเห็นเป็นกระดูกใสสะอาดเหมือนกับแก้วนี่ก็มีถึงว่ามาเห็นแปลกจากเขาเห็นเพราะเห็นแจะเกิดปุ้มปีติขึ้นมาเห็นชัดจิตสงบเย็น หมายสงามว่จิตสงบนิ่งเย็นแล้วยะงคยเห็นอย่างนั้นนั้นเป็นเหตุให้เบื่อหน่าเป็นเหตุในสละนอกจากจะเบื่อหน่ยลักษณะแล้วจะรู้สึกตัวว่ากระดูกไม่ใช่ตัวตนคนเรา <c oughs> ผู้ที่ไปรู้กระดูกผิดนี่คนหนึ่ง นี้ยจะไปเห็นจิตกับคือเห็นรูกคำนามคือเห็นจิตกับรูกคือหมายความีคนหนึ่งไปเห็นกระดูกถึงว่ากระดูกนั่นเป็นเป็นรูปผู้ไปเห็นนั่นเป็นนามมันคล้ายกับว่าเราเห็นอะไรก็ตามทั้งในที่อยู่ภายนอกนั้นะเป็นมองดูในสิ่งที่เราเห็นน่ะ พู้เราเห็นมีนันสิ่งที่เรามองมีเพราะอย่างนั้นคล้องเห็นอันนี้มันจริงเป็นของอัจฉริยะถ้าไม่เกิดความปื้มปีติ อ, อี่บอ่มใจนี่ในาการพิจารณากายเมื่ออย่างไาท่านเห็นจิตให้แบบแท่งพิจารณารูกซะก่อนถ้าลงในปัจจุบันดังอธิบายแล้ว ว่าเราไม่คิดอยากจะให้เห็นละหรือว่าอยากจะห้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องคิดไปดูเฉยๆดูเหมือนกับเราที่ไม่เคยดูดิเอาปัจจุบันอย่าไปจ้างให้มาเห็นอย่างนั้นอย่ามาเห็นอย่างนี้หรืออยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พิจารแเ้าจะเป็นอย่างนั้นี้ไม่ได้ทั้งนั้นที่มด เมื่อเที่ยงวัแล้วก็ะเอ้ดูเฉพาะคือจิตของเราไปเห็นจิตเฉพาะในสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นเึ่นกระดูกต่างอธิบายก็ได้เวลามันเห็นน่นมันไม่ได้ว่ากระดูกนั่นอยู่ตรงไหนหรอกมันยังเห็นเฉพาะมันเองผู้เห็น ก, กระดูกก็ไม่เห็นอะไรอีกไม่ท้าอยู่ในโพรงของเราหรือ ว, ว่าอยู่นอกโพรงก็เป็นสั อันนั่นดีจริงว่าอธิษฐานตรงนั้นขออธิษฐานนักคิดนาอยู่นี่าไปเห็นขนเห็นเล็บเป็นฟันหนังเนื้อเอ็นอะไรตา่างเถเห็นตัวของเราเนี่ยหรือจะเห็นตัวของเราเป็นอสุภาพปฏิกูลกต็ต่างได้ไปเห็นตัวของเราเป็นคนตายนอนตายอยู่เลย เน่าเปื่อยเฟะมัดจะบางทีอาจจะเหม็นปลิ่นเข้ามาในจมูกเหม็นเข้ามาทางจมูกเวยทีเดียวจนอาจทนไม่ได้อย่างนั้นก็มีเนี่นยจริงว่ามันเห็นแปลกจากทางวิทยาศาสตร์ความจริงไม่ใช่มันตายไม่เปื่อยและเน่าอะไรมันกายเ็นกับคนที่เราไม่ได้พิจารณาเนี่ะ มันได้ดีเหมือนแต่เล้วไม่ผิดนะถึงวิจารณ์เห็นมั้บายังดีๆเท่าเก่าถึงว่าการเห็นนี่เป็นของแปแลกเป็นของอจัง่งถ้ามาอย่างนั้นระพุทธเจ้าต้อมาได้เรียกว่าอัจฉริยธรรมธรรมเป็นของอจัง่งการเห็นแบบนี้ะเป็นเหตุให้ขยันในการทำความเพียนภาวนา ในที่เสี่ยคิดาดภาพที่เราเห็นปรากฏนั้นเรยไว้เห็นด้วยภาวนานิมิตภาวนายังไม่ได้จัดเขี้ยวปัญญาแท้นะคนวิธิปัญญายัางใช่ไม่ได้ให้ถือเป็นภาพนิมิตของภาวนาเฉยเมื่อเห็นแล้วเราจะละมีบอนทั้งหาได้เมื่อเข้าถึงตรงนั้นมีบอนทั้งหาจะหายไ ป, ไป อะไรนี่หวานทั้งหากกามไม่ฉันทะความพอใจเพิดเพืยินดีลงลักไค่ชอบใจในรูปลูกผู้ลู ป, ล ป, ป, ลปคนลูกสัตนาและสิ่งลูปวัตถุสิ่งของในศาสนาเถอะตกได้ชื่อว่าเป็นรูปแล้วนะได้เกิดความาาดดวาวออพอใจลักไค่ได้ยินดี ชอบอกชอ บ, ชอบใจในเรื่องนีน่ว่ากลางไม่ันงทายหายถ้าไปถึงตรงนั้นเราหายถ้าจิตเป็นยังไงเับหายเลยไม่มีในขณนะคําว่าหายคําว่ามีที่นี่หมายความว่าจิตมันไปอยู่กับอารมณ์ที่เราเห็นหนั่นภาพที่เราเห็นหนั่นมันก็หายไปเฉยๆนนะแต่ไม่ใช่มันหมด ตอนนี้จริงว่ามันปัญญายนี่ยเกิดแต่เป็นเดทภาพมิมรให้เราไปติดยึดเนี่ยนั้นแล้วก็ละมีวันหา่ห า, าที่สุดพญบาทการจองล่างจองผ่านคนอื่นต่นางเคียดโกรธใ้ครก็ชับจิต พอมานัดน้อยใจได้ก็ตามไม่มีในทหารถ้าเป็นนหารหายมดคิดนในวิทะตัวมื้มห่วงเหงาเ h านอน h o พี่เจคือคันหน่อย ม, ม, มีได้ความขายันหมั่นเพียรมีได้ความปลื้มปีติอิ่มอกินใจนั่งพาะนานอยากไม่อยากจะออกอยู่ทั้งวันในตลอดคืนพวกไหนอยู่ได้ อุทาจากุศลจะฟุ่งซ่านก็ไม่มีจิตเนี่ยไปอยู่ไหนะนั้นมีพุ่งไปไหนมีจิตฉาความลังเลในการทําความเพียรภาวนาว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนาะจะได้จะถึงหรือไม่ถึงเนาะเมื่อเป็นนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีสงสัยอย่านั้นชัดขึ้นวัดเลยเรื่งเรียกว่านี้วันหา่างไม่มีในทิ่ นิวรหายเปของสัมผัสเป็นรุปศักของการทำภาวนาสมาธิถ้าคิดเข้าถึงอุปพ้านาสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วนิวรณาหายไปเมื่อ น, นิวรณาหายไปคป็นลกระบอกภาระที่หนังหนกเพราะนิวรหาย เมื่อในวันห้าหายไปกับตัวของผานด้รับผวามสงบเยือกเย็นแต่แล้วก็จะต้องพิจารณาต่อไปไม่แค่จะเทียนพนั้นพิจารณาขันหากดังอธิบายมาแล้วพิจา <c oughs> รณาลูกยิจาณาเวทนาสัญญาสัญขานวิ ญ, ญาณ ให้เห็นเป็นไรลักษเคยอเห็นเป็นอนแจ้งทุกคั้งนักตามีเครื่องอยู่เราพิจารณาเห็นอันในี้แจ้งทุกขังนักตาเราก็จะไปชอบอกชอบใจแล้วเกิดปีติจีม อ, มอินใจในเรื่องนั้นอีกในการที่เราเห็น แต่ก่อนเราเพียงแต่เราพูดเรานึกเราเฉยๆพอไปเชิตตรงนั้าเราไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนึกคิดเป็นเรื่องเห็นเองชัดเจนด้วยจิตเลยเป็นอริยางคทุกสัารแท้เป็นอนัตตาไม่แท้จริงว่าเรื่องพิจารณากายถ้าหางยัง พิจารณาจิตไม่ได้พิารณากายให้จิตมันอยู่กับกายเมื่อไปเห็นอย่างนั้นแล้วทรานี้เห็นจิตเห็นกายชอบอะครกันดังที่ว่ายมาาันจะก้นีพอเห็นชาติอย่างไรก็รู้จักว่าอ๋ออันนั้นภาพที่เราเห็นต่างผู้ไปเห็นภาพ น, นมีแต่หากคือจิตเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชาติอย่างนี้ เราจะให้จิตอยู่กับภาพก็ะดายหรือเราจะวางภาพมันมาอยู่เฉพาะจิตก็ะดาเมื่อเราวางภาพมาอยู่เฉพาะจิตแล้ว ก, ก็ค้นคว้าพิจารณาถึงเรื่องจิตจิตที่มันคิดทสรงสายเล็กๆน้อยๆท่งโน้นตรงนี้ออกว่าแสบเห็นจิตชัดเลยทันตรงนั่นแหละ จะเห็นจิตเป็นตัวถึงจะไม่เป็นตัวก็ช่างไม่ประนากฎยาวมาแสดงคขอื่นเห็นกระตามแต่ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขามีตัวพระเหตุที่มีตัวนั่นะมันจึงเป็นเครื่องวัดในการที่เรา จะให้อยู่หรื อ, ไ ม, อ, รอ ไ, มไม่ให้อยู่หรือไม่ไม่ให้อยู่หรือในการที่เราเห็นมันอยู่เลยเห็นมันไปในพระวิธานในการแสดงนี้ว่ารูปจิตนี้ไหมเพราะมันยังมีรูปอยู่จิตเลยแต่ว่าตาหนังเนี่ยเห็นไหมได้จ็คสูมังสารเนี่ยเห็นไหมได้ตัวเราก็เหมือนกันเขาดูเห็นไมได้มันเห็นได้ด้วยปัญญาจ็คสู ด้วยความรู้ความเข้าใจดังอธิบายนะนพจายามนี้แหละอยู่ในนี่แหละจะเป็นไม่เป็นเห็นไม่เห็นรู้ไม่รู้จะถึงไม่ถึงเราจะไปคาดคิดว่าเ็นจะเป็นอย่างนั้นได้หร้จะถึงอย่างนั้นจะเป็นดีอย่างนั้นไม่เสถยอย่างนั้นหรืออย่างให้เป็นอย่างนั้นอย่างอย่าไปนึกคิดทั้งหมดเอาเฉพาะในเรื่องเดียว ในปัจจุบันเราพอมาเปลี่ยนเมื่าคนเย็บผ้านคนเย็บผ้าใครๆก็คงเคยเย็บเมื่อเราร้อยได้จักเข็มแล้วก็ววจะต้องจับผ้าถึงไว้หรือไวเน้นใส่อันแดนหนึ่งให้ผ้าน่ะมัน อยู่ที่ดึงผ้าเนะี่มันกระงมันเรียบแล้วเราจะจะปักปักเข็มลงในงเชือกแล้วไม่ได้คิดว่าจะทำโน่นนี่ไม่ได้คิดเด็ในเวลาที่เราเย็บผ้าไม่ได้คิดอะไรเลยจิตจะจดจ่อตาพร้อมกับตาเฉพาะที่เราปักเข็มที่เราร้อยเข็มที่เราเย็บไป ที่ห้ามใกล้ไกลสักเท่าไหร่จะเห็นเเพาะในเรื่องนนถ้าผู้ภาวนาทำจิตให้ได้อย่างเราเย็บผ้าดีนะนักภาวนาเย็บผ้าได้ธรมที่ดีสบายคนที่เย็บผ้ามีสมาทิเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยมือน ทิศจิตมันจดจ่อในเรื่องถึงแม้จะแวบไปนีดๆี่หน่อยมันกำไมไฟไม่ทันทําเรื่องของาเราเลเกิดพรอะมันมัวเมาจดจ่อเฉพาะเรี่งเย็บค่ะที่ห่างไกลไกยาบละเอียดมันประคับะคองอยู่เฉพาะอัเรื่อง นี่พูดถึงเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นการจาเป็นที่สุดที่เราจะต้องทุกคนอบรมพูดัง่ายว่าเราขึ้สมาอาิใช้จิตอะไรยังไม่เคยเห็นจิตถ้าจิตไม่มีคนเราก็ต า, าย้างทีจยาส่เขาชืว่าเซนหรือประสาทอะไรก็ตามข่างเขาเถอะ แต่เราพูดในทางธรรมะเรียกว่าจิตจิตนะ น, นี่แหละมีอยู่ใช่อยู่แต่เราไม่ดูตวัวัถ้าหากเราไม่ฝึกฝนอารมณ์ดังอธิบายมันี่แหะไม่เห็นมันเด็ดขาดแล้วเมื่อไม่เห็นมันก็จะรักษามันได้ยังไง ร, รักษามันอยู่ไม่ได้เมื่อรักษาให้มันอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเรา เมื่อไม่ใช่ของเราเมื่อก่อนควาดแกรงมันจะทําให้เราเดือดร้อ น, น, นคูดได้อีกทีหนึ่งว่ามันใช้เราได้แต่เราใช้มันไม่ได้มันใช้เราทุกอย่างใช่ทำโน่นทํานี่เชี่ยให้เกลียดให้โกรธใช่ให้รักให้จังใช้เราแม้ให้ร้องให้ให้ก็ได้ใช้เราหัวเราะแหยหาจนน้ําตาลลุก็ได้ เพราะเราไม่เห็นตัวมันจึงรักษาไม่ดีถ้าเราเห็นตัวมันแล้วน่นมันจะโกรธแล้วก็เกนฑ์ว่ามันจะโกรธนี่นี่ตัวนี้มันจะโกรธคนนี่มันจะโกรธมม่โกรธแล้หรือมันกําลังจะโกรธอยู่แล้วรู้อย่างนี้่เราพยายามจะโกรธใช่ไหมเกลียดมันรักมันชอบออกชอบใจ อะไรก็ตามเถอะแล้วมันไปติดพันผัพันพ น, นั่นนี่ก็ช่างถ้าเราไปตามเห็นตามตรู้ตัวมันนี่แล้วแล้วก็ห้ามนะเจ้ดึงกลับคืนมาจะไม่อยู่ที่เดิมเข้ามาจ้าอยู่คือที่เดิมมันกลมสงบสุขเขามาจ้านั่นก็หมดเรื่องนั้นไปทุกอะไรก็ไม่มีตัวจึงมาดัางนั้นยังว่าเป็นกลางจําเป็นที่สุดผู้ต้องการ ต้องการค้นจากทุกข์ขึ้นมาจากมีทุกข์ในตัวของตนริ่งจำเป็นที่จะต้องทุกคนบางคนจิตถ้าเราอารมไม่ได้เขาเรียกว่ามันยังใช่เราอยู่ถ้าอารมได้มันนําคุณประโยชน์คนือความสุขสั้นสี่มาให้แก่เรายิ่งในผลที่สุดจะไม่มีแข่เรือหลอเพราะเหตุเราจัดจิตได้เราํามารถจิตจิตจนจิตใจของใจสะอาดจิตธรรมเรียกว่า ถึงมาผลิพานคิดใจะอาดมนโดยาหนับชั้งนี้ฉะนั้นขอทุกคนในภาคมรดิจิการโดยในแพทธิบานนี้ไม่พึงนำไปกระตุ้นปฏิบัติพิการจะได้สมตามความงุงมากขนาดนาดังอธิบายมาเด็ดเลยการ